อาจารย์ครับกล่าวนามาส ก, การครับผมเจงรอนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสี่สิบเก้าแล้วนะครับระอาจารย์ครับเมื่อเช้าพระอาจารย์ไปบิณฑบาตมีคนไปใส่บาตรกันเยอะไหมครับผมก็สี่ร้อยห้าสิบกว่าคนอ้โครับผมปกติของวันอาทิตย์เลยใช่ไหมครับอาจารย์ประมาณนั้นมาเป็นสี่ร้อยขึ้นไป ครับผมแล้วท่องออนไลน์อีกสองร้อยกว่าไหมครับประมาณนั้นแล้ววันนี้ฟังทำคนเดียวไหมครับอาจารย์ครับที่ญาติก็่น้องสองร้อยรวมทั้งหมดก็แปดร้อยกว่าวันนี้ครับผ ม, มวันนี้ผมก็ได้ฟังทำออนไลน์นด้วยครับอาจารย์ได้วยได้ฟังทำออนไลน์นะใช่ครับอาจารย์ครับก็ พระอาจารย์เทศเรื่องความสุขจากเอ่อจากสติปัญญาครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็เลยมาต่อตอนนึคือเรื่องคล้ายๆกันเลยครับแต่เราเอามีชีวิตที่ไม่มีทุกข์หรือมีทุกข์น้อยๆได้ไหมครับอ า, าจารย์สำหรัพบพวกเราครับผมจาบขอปัญญาพระอาจารย์ครับผมคือความทุกข์นี่มันมีสองแบบด้วยกันความทุกข์กายกับความทุกข์ใจความทุกข์กายนี้มันมา ก, กับร่างกายของทุกๆคน ไมว่าใครก็ตามถ้ามีร่างกายแล้วก็หนีความทุกข์กายไม่ได้จะเป็นใครก็ตามจะเป็นคนรวยที่สุดในโลกคนจนที่สุดในโลกร่างกายก็เหมือนกันมีความทุกข์กายเหมือนกันออจะเป็นคนฉลาดคนเก่งคนง้อร่างกายก็เหมือนกันคือต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายร่างกายพอเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันก็จะมีความทุกข์กายตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมานนี่มันก็เริ่มทุกข์ทุกข์เพราะความหิวเด็กทารกก็ร้องหิวหนงหิวหน้าหิวอะไรง่ายๆก็เป็นความทุกข์ทางร่างกายที่ไม่มีใครสามารถที่จะกำจัดได้อาจจะบรรเทาบ้างได้บ้างมากน้อยอยู่ที่ความสามารถในการหาปัจจัยสี่มาดูแลถ้ามีความพร้อมทางด้านปัจจัยสี่ก็อาจจะ มีความทุกข์ทางใจน้อยหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ขาดปัจจัยสี่แต่ก็ต้องเจอความทุกข์เหมือนกันส่วนความทุกข์ทางใจนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งความทุกข์ทางใจนี้เป็นสิ่งที่สามารถกําจัดได้หมดเลยให้เหลือศูนย์ได้คนที่กําจัดได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระนันตสาวกท่านในคนพบวิจีคือพระอริยสัจสี ให้คนเพราะวาความทุกใจเกิดจากความอยากของใจสามประการอยากเสพรูปเสียงเกลื่นรูปการมั่นตัญหาอยากมีอยากเป็นภาวะตัญหาอยางไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัญหาถ้าหยุดความอยากทั้งสามได้ความทุกข์ทางใจก็จะไม่มีเลยและข้อสำคัญก็คือความทุกข์ทางใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ทางกายมาก สิบต่อหนึ่งก็ไม่ได้ความทุกข์ทางการนี่หนึ่งเท่าแล้วความทุกข์ทางใจนี้ประมาณสิบเท่าถ้าเราสามารถกําจัดความทุกข์ทางใจได้หมดเนี่ความทุกข์ทางความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็แค่หนึ่งเท่าทั้งยี่เป็นสิบเอดเท่ า, ามันก็ทําให้ภาสหานันต์พระพุทธเจ้านี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเดือดร้อนกับความเจ็บป่วยของทางร่างกาย ภาปฏิบัติส่วนใหญ่ถ้าท่านบรรลุธรรมท่านสูงท่านไม่จะไม่ต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลท่านรักษาตามใช้ใช้นับธรรมธรรมดาก่อนแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายแต่ท่านรักษาใจไม่ให้ชุกขกับความเจ็บป่วยอันตายของร่างกายถ้าไม่ค่อยเดือดร้อกับความเจ็บป่วยของร่างกายเท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่มีท่านดับความเจ็บ ทางใจได้ไม่ได้หมดซึ่งความเจ็บทางใจนี่เป็นตัวที่รุแนแรงกว่าความเจ็บทางทร่างกายถึงสิบเท่าหนึ่กันสิบท่อหนึ่งก็มีสองทุกทุกทางใจนี่ดับได้หมดต้องปฏิบัติอริยาาสัจสีต้องต้องปฏิบัติมากในองแปดมากที่มีอกแปดในอริยสัจสี่เรื่องนึเอาคือศีลสมาธิปัญญา หรือถ้าเป็นผูกขรารว่าผู้ครเงานก็ทานศีลภาวนาถ้าปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ทใจได้หมดเพราะไปหยุดความอยากทั้งสามได้หมดความอยากเสพนุง่งเสียงกินรถก็หยุดได้ความอยากมีอยากเป็นอยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็หยุดได้ความอยากไม่เป็นก็หยุดได้อยากไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดได้ หยุดความอยากนะไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดความตายหยุดความตายหยุไม่ได้พอหยุดความอยากทั้งสามนี่ได้ความทุกข์ทางใจก็ไม่มีเลยท่านก็กำจัดความทุกข์ที่นุนแรงสิบเท่าได้ในความทุกข์ที่ไม่นุนแรงเกินหนึ่งเท่าคือความทุกข์ทางน้นาร่ า, ยย า, า, างกายถ้านก็เลยไม่ก่อเหตุร้ายต่อความความทุกข์ทางกายเท่าไหร่ท่านก็รับทราบว่ามันมีอยู่ แต่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ได้สร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาซ้อนอีกชั้นหนึ่งส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้ปฏิบัตินี้พอเกิดความทุกข์ทางกายแล้วต้องเชสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาซ้อนอีกความทุกข์ทางกายหนึ่งเท่าแล้วก็เพิ่มความทุกข์ทางใจอีกสิบเท่าเช่นเวลาป่วยเป็นโลคผายแก้เจ็บก็อยากจะให้มันหายอยากจะไม่ตาย กลวจะตายอันนี้ ม, นมันสร้างความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ทาารมานใจขึ้นมาซึ่งรุนแรงกว่าความเจ็บไายได้ป่วยของทางร่างกายสําหรับผู้ที่สามารถระงับความอยากทางใจได้ก็ยังไม่ทุกข์กับไม่มีทุกข์ทางใจก็ยังมีแต่ทุกข์ทางกายที่ท่านสามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีเดือนลอย อันนี้ก็คือวิธีการถ้าอยากจะมีความทุกข์น้อยก็ต้องมาแก้ที่ความทุกข์ทางใจกันอย่าบางคนสมัยนี้คิดว่ามีเงินมีทองก็ซื้อการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลเอกชนก็นจะมีความทุกข์น้อยมันไม่สามารถเป็นรับความทุกข์ทางใจได้หรอกมันจะช่วยรับความทุกข์ทางร่างกายได้มีแพทย์พยาบาลมีเครื่องมาเครื่องมือครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะช่วยรักษา พยายบาลร่างกายให้มันทันท่วงทีและสามารถที่แล้ะรับความเจ็บป่วยของทั้งร่างกายได้และให้มันน้อยลงได้กว่าถ้าเราไม่มีเงินทอนที่ต้องมารักษาทางโรงพยายบาลแล้วที่ไม่มีบุคลาก ร, กรที่พร้อ ม, มเครื่องมือเครื่องมือทุกอร่องก็เราคิดกันคนเราก็เราคิดทุ่มเทอ ย, อยู่กับการหางเงินเพื่อเก็บไว้รักษาพยายบาลลืมมาว่ามันเป็นเพียงแค่หนึ่ง หนึ่งในสิบของความทุกข์ท่านั้นเองความทุกข์อีกสิบส่วนนี้มันอยู่ที่ใจที่เราไม่มาสนใจมาปฏิบัติทำกันถ้าเรามาสนใจมาปฏิบัติธรรมภาวนาวิปัสนาภาวนาสมถภ า, าวนาเราสามารถกําจัดความทุกข์ทางใจได้หมดเลยแล้วเราจะไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปโรงพยาบายก็ได้แา้วรักษาใจไปเป็นหลัก ทั้งกายก็รักษาไปตามมีําเกิดเพราะว่ามันยังไงก็ต้องตายในที่สุดรักษาให้หายกี่นอบมันในที่สุดมนก็ต้องจะรอบสุดท้ายอยู่ดีคยิ่ ง, ย, งยิ่งทุกบ่อยขึ้นรักษารอบนี้หายไปอา่านเด้๋ยวอี ก, อ ก, อกสองสามเดือนเอากลับเข้ามาใหม่ก็หายอี ก, กแล้วกลับเข้ามาใหม่เจ็บหลายรอบซึ้งเจ็บรอบเดือนนี่ก็ไม่ไปรักษาโรงพยาบาลปลายมันตายไป รอบเดียวจบใจไม่เดือนร้อนใจไม่ทุกข์แต่ที่ไปเรียนโรงพยาบาลกันหลายรอบเขาใจมันทุกข์นะใจมันกังวลใจมันวิตกใจมันหวาดกลัวเหมือนเมื่อหลายปีก่อนป้าอาจารย์บอกว่าผมคว้าน้ำเหลวทุกครั้งเวลารักษาคนไข้ครับอาจารย์สุดท้ายก็ไม่รอดสักคนไม่รอดอาจารย์เคยบอกผมเมื่อหลายปีก่อนแล้วครับ ก็ช่วยบรรเทาช่วยเอราะว่าปวิงเวลาช่วยยื้อเวลาให้เผื่อถ้าอย่างยังยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาที่จะสามารถนําไปทําประโยชน์ได้ครับก็ดีตรงนั้นเรายังปฏิบัติไม้ถึงไหนก็รักษาพยาบาลให้มันหายแล้วก็ไปปฏิบัติต่อได้ก็ดีอาจารย์ครับน่าจะมีคนสงสัยว่าการทําทานแล้วมันจะ ทำให้ทุกน้อยลงได้ยังไงครับอาจารย์ครับก็มันเป็นการระงับความอยากที่จะใช้เงินไปเลยทางที่ไม่ถูกเนี่ยเช่นมีเงินอยู่ก็อนหนึ่งตอนนี้มีเงินเดี๋ยวไปเที่ยวดีไหมไปเที่ยวต่างประเทศยถมีสักแสนอย่างเงี้ยไปเที่ยวต่างประเทศเอาไปเที่ยวกลับมาเจ็ดวันกลับมาความสุขที่ได้ก็หายไปได้แค่ช่วงเวลาที่ไปเที่ยว พอมันหายไปมันก็ทําให้ใจใจมีความรู้สึกว่างๆเศร้าๆเศร้าสรอยหวังอีกนออยากจะกลับไปเที่ยวอีกถ้าไม่มีเงินกลับไปเที่ยวใจก็ทุบขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรามันก็เนียวก่นนี้ไปบริจาคให้โรงพยาบาลเน่ยเราจะมีความสุขใจอิ่มใจมแล้วความสุขใจอิ่มใจนี้มันจะฝังอยู่ในใจเรามไม่หายไปเหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปเที่ยว ทุกคั้งที่เราคิดถึงเงินบวยจากที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลมันก็เกิดคํามอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอนี้คือวิธีการที่การจะใช้เงินให้ถูกวิธีการซื้อความสุขให้กับซื้อความสุขทางใจอย่าไปเขาซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายทาั้งทางรูปเสียงกลิ่นรสพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเป็นยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดแในเวลามันไม่ได้เสพมันจะมันจะเศร้า แต่การทำบุญนี่เป็นเหมือนให้าอาหารอาหารกับใจให้มีความอิ่มใจสุขใจแล้วความอยากจะไปเที่ยวก็หายไปด้วยความอยากจะเสพรูปเสียงกิ่นงน้อต่างๆมันจะถูกความสุขใจที่เราไดจากการทำบุญทาทานนี้มามาสกัดกันให้มันอ่อนกำลังลงและหมดไปได้ในที่สุดในในระดับหนึ่นงคือต่อไปพอเรามีเงนนินในใจทางที่จะไปเที่ยวเอาไปทำบุญดีกว่าทำบุญนั้นนความสุข ทุกครั้งมีเงินเลยจะไปเที่ยวง่ายดีกว่าไปทําบุญดีกว่าเพราะผลมันแตกต่าง น, นั้นผลที่เราได้สัมผัสที่ใจเรามันจะต่างไปมากนี่คือสําหรับคนที่ยังใช้เงินกําจัดความทุกข์อยู่ด้วยการเอาเงินไปเที่ยวหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของแบรนด์เนมซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นยังต้องซื้อของพวกนี้มาให้คขาชงเราชั่วขนาดหนึ่งนะเชื่อขนาดที่เราได้ซื้อมา หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นของชินชาไปอยู่เฉยๆก็มีควารรู้สึกสุขใจขึ้นมาได้อย่ายแต่ความอยากอยากซื้อของใหม่มันมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆซื้อซื้อชุดนี้แล้วเดี๋ยวไปอยากจะซื้อชุดใหม่ซื้อรองเท้านี้แลเดี๋ยวซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซื้ออะไรเมื่อวันมันมันได้มาความดุดเดนใจมันเดี๋ยวๆแล้วหลังจากนั้นมันก็ปล่อยเรารู้สึกว่าวาเปล่าเปลี่ยวเหมือนเดิม ก็ต้องหาอะไรมาตามอยู่เลยซื่อของใหม่มาตามอยูไ่ไลยไม่อิ่มไม่พอแต่การทําบุญนี้ทําให้ใจเราอิ่มใจเราพอครับมีคุณอุทยวานบอกว่ากับอาจารย์ครับตอนนี้เจอความทุกข์ใจเข้าอย่างจังแต่ยังไม่มีทางออกได้เลยครับอาจารย์ก็ค้นหาสาเหตุนความทุกข์ใจมันเกิดจากความอยากของเราเนี่แหละ อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอยากให้สถานภาพของเราสถานะงานของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันอยู่ทีความอยากของเราถ้าเรามีความความยินดีตามมาตามเกิดแล้วก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรามาเปลี่ยนใจดูเสียเป็นอะไรก็ได้ได้อะไรก็ได้ ยใจก็จะไม่ทุกข์อีกขั้นหนึ่งครับบอกว่าตอนนี้มีความทุกข์มากครับเพราะว่าสามีเสียปีปีนี้ครับยังไม่ถึงปีครับอาจารย์ครับก็อยากให้สามีอยู่ต่อเพราะเวลาอยู่ก็แล้วมีความสุขพอเขาจากเอาไปแล้วก็เหงาเราก็เศร้าก็อยากอยาให้ก็กลับมาใหม่ยิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นยิ่งคิดถึงเขายิ่งเห ง, ง, งา ก, กลับมาก็ยิ่งเศร้าใหญ่ ต้องลืมลมันแล้มันเป็นความฝันไปแล้วมันเป็นเร่อดีตไะไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถ้าเป็นแก้วแก้วมันก็แตกแล้วทำไมให้ได้แก้วแก้วเดิมกลับมาเหมือนเดิมมันมันเป็นไ ป, ไปไม่ได้แล้วล่ะครับต้องอยอมรับความจริงแล้วมองไปข้างหน้าอย่าไปคิดถึงอดีตหรืออย่างนั้นก็ให้มีมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ไปคิดถึงอดีตเช่นมีสติมีคำอะไรคำพุทโธพุทโธไป ทุกครด้คิดถึงแฟนก็นพุทโธพุทโธไปเพื่อให้หยูดความคิดถึงแฟนพออยู่ได้ความเศร้าใจก็จะหายไปตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะคิดถึงเขาไว้ให้เราหายจากความเศร้าโศกเสียใจจากการจากไปของเขาเนะ้นแล้วต่อไปเวลาเราคิดถึงเขาเราไม่เศร้าเราค่อยคิดถึงเขาได้ในตอนนั้นแต่ตอนนี้อยากคิดยิ่งคิดยิ่งเศร้าอย่า คุณคำนางบอกว่าเราจะอยู่กับทุกอย่างไรบ้างครับเพราะว่าทุกที่ต้องพบเจอในทุกๆวันเรื่องซ้ําเดิมทําให้เกิดความเบื่อหน่ายครับเวันนี้จะทำใจให้เป็นองเบกขาให้ได้ทําใจให้เน้นให้สงบให้วางเฉยให้ได้แล้วเราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้จะวางเฉยให้ได้จะมีองคเบกขาได้ก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆให้จิตรวมเป็นสมาธิเราจะเกิดองเบกขาขึ้นบนใจใจจะรู้จักวางเฉยให้เป็นยังไง น่าจะเห็นคุณค่าของการวางใชยว่ามันสบายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องะเะชิญทุกวันทิลเลนครับบอกว่าเด็กวัดใส่รองเท้าเดินตามพระออกบินธบ ต, ตอนเช้าจะบาปหรือผิดอะไรหรือไม่ครับก็โดยธรรมเนียมก็ไม่ควรแต่สมานี้เด็กเขาก็แาบว่าเขาไม่มีความอดทนเหมือนน มันสมัยก่อนเขาคัวเจ็บเท้ากลัวอะไรเขาก็ใส่เท้าไปพาท่านก็ไม่เลยเข้มคนเข้ ม, มวดขวดคันน้นเมันเป็นการแสดงความเคารพเท่านั้นแหละคือเวลาเวลาพาท่านบินบาตรท่านถอดรองเท้าออกถ้าเวลาคนใส่บาตรนี้ถ้าอยากแสดงความเคารพก็ควรจะถอดรองเท้าด้วยเพราะจะได้ไม่ยืนสูงกว่าท่าน สมัยโบราณก็ถึงเรื่องยืนสูงต่ำไ ม, ไม่เท่ากันคนที่ต่ำกว่าไม่คนจะยึด อ, อยู่ที่สูงกว่าคนที่สูงกว่าใช่ไหมางานนี้เป็นตน้นก็เป็นแค่ทํเินในการสแสดงความเคารนับถือแต่ลูกศึเขาก็ไม่ได้มาทําบุญเขาก็เป็นแด่มารับใช้พระเขาก็ใส่รองเท้าไปพระก็ไม่อยากจะจู้จี่จุกจริงมากเดี๋ยวหาลูกศิษย์มาช่วยไม่ได้ครับ <c oughs> แต่มันไม่บาปหรอกมันไม่บามั น, มมนมเพลย์แต่เไม่ได้ทําตามขนะทําเล่มประเพณีที่แสดงความเคารพเพราะเด็กเขาก็ไม่ได้มาหวังทําบุญเขาก็เพลย์แต่มาช่วยเขาได้บุญจากการรับใช้พระแต่อาจจะไม่ได้บุญเต็มร้อยคุณจารุนีถามครับอาจารย์พอกว่าเมื่อคืนไปแอดมิตที่โรงพยาบาลคนเดียวเตียงสั่นที่หัวเตียงแล้วก็ปลายเตียง ผีมีจริงไหมครับเจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทําอย่างไรครับเฮ้ยเราหูใบขาได้ในที่สุดเฉยๆไปมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นทางจิตใจหรืออาจจะเป็นทางทางกายภาพทาั้งทางด้านกายก็ได้วันที่เราแยกแยะไม่ได้บางที่จิตใจเราทําให้เต็มมันสั่นเองก็ได้คือเราคิดขึ้มนมาในใจของเราเองก็ได้ แต่ความจริงเียงมันไม่ได้สัน่นเตียมันก็อยู่มันเฉ ย, ยๆแต่จิตของเราอาจจะไม่อุปทานสร้างความรู้สึกขึ้นมาในใจของเราหลอกตัวเราเองก็ได้วิธีดีเสุดก็คือถ้าเรายังไม่สามารถวางใจให้เฉยๆได้ก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปเสวะเอกที่วปโศไปอย่าไปคิดถึงอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องอาการของเตียงที่มันสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหายไป เราจะละความตรณีในใจได้อย่างไรครับขณะที่เราให้ทานเราต้องการแจกให้ของได้ทั่วถึงกันแต่บางคนต้องการมากกว่านึงครับคือเรื่องของความต้องการของคนในเราไปครับบังคับเขาไม่ได้เราเขาจะต้องการเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาแต่เรามีแจกให้เขาแค่หนึ่งก็แจกให้เขาแค่ท่าน ห, ห, หนึ่งไปเพราะเราจแจกหลายคนด้วยกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับความตนีนะมันเป็นเรื่องของเรื่องของความเป็นไปได้ ก็มีของทั้งนี้แล้วมีคนมากไปนิดนึงหร้อมีไม่ถ้าให้คนหนึ่งสองชิ้นก็จะทําให้คนที่คนอื่นเท่าที่จะมาไม่ได้ของนั้นก็ต้องให้คนละชิ้นไปทังนี้การให้นี่เป็นการชนะความตันเองคือความตนเองคือความหวงของในทับสมบัติของเราพอเราฝึกการให้แล้วก็ค่อยๆคลา ย, ย, ย, ย, ยความตนเองออกไปจากใจเราชนะความตนเองด้วยการให้ ให้บ่อยๆให้บอกว่าต่อไปความตันหนีก็ยังไม่มีเลยคุณดําบอกว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นจริงๆในฐานะชาพุทธศาสน า, าควรวางใจอย่างไรดีครับ ม, มันก็ไม่เปลี่ยนสม ก, การของชีวิตอะสมการชีวิตก็เหมือนเดิมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมจะมีสงครามก็มีสงคร า, ามก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมให้มองตรงสมการตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องวิตกกังวล กับอะไรทั้งหมดเห็นการเล่นโลกจะมีสงครามไม่มีสงครามมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหรือมันก็จะไปกังวลกับอะไรถ้าเราเห็นสมการตัวนี้แล้วระอาจารย์ทงสอนให้เราลรลี้ยูใเรื่อยเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการทักทักจากกันเป็นธรรมดาร่วมพ้นจากสิ่งเหลนี้ไปไม่ได้ให้เรายอมรับกับการเกิดเหตุการณ์เหลนี้ขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะจะเกิดขึ้นอะไรก็มันก็ไม่มาเปลี่ยนเหตุการณ์เหล่า น, นี้เหตุการณ์เหล่า น, นี้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่ตางนั้นที่มีการมาเกิดตามนั้นก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความพุกข์ท่าจากการตามมาเสมอเห็นไม่ค่อยกังวลเรื่องสงครามเรื่องสันติภาพมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับคุณเอเวอเรสบอกว่า มันก็คอมเมนต์ครับพระอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์ที่ถ่ายรูปหน้ากุ่าอาจจะดังทำให้เสียงดังแชะแะเยอะมากไม่ใช่แค่หนึ่งถึงสองรูปแล้วบางครั้งเนี่ยกวนสมาธิครับก็บางครั้งก็มีการส่งเสียงเขาแนะเาบอกว่าควรเคารพในความเป็นส่วนตัวของวัดอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับก็แนะนำได้แล้วก็อย่ทำามนั่นไม่กล้เรื่องนะครับ การใส่บาตรจะถึงผู้ล่วงรับไหมครับคือบุญที่ได้รับจากการใส่บาตรนี้เราสามารถอุทิศให้กับผู้ล่วงรับได้ส่วนผู้ล่วงรับจะรับได้หรือไม่อยู่ที่สถานะภาพของเขาด้วยว่าเขามารอรับหรือเปล่าถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาต้องมารอรับบุญส่วนนี้ผู้ที่จะมารอรับส่วนบุญนี้ได้ก็เพิ่มพวกดวงวิญญาณที่เป็นขอทานเที่ยวเรือไปพวกนี้ก็จะมารอรับส่วนบุญได้นอกจากนั้นก็มาไม่ได้ ที่ไปตอกกระโ ก, ก็เหมือนเอาไปติดคุกออกมาออกมาจากคุกไม่ได้ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็หากินเองได้กาเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็หากินเองได้ก็ไม่ต้องพึ่งพึ่งบุนจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ส่งไปถ้าไปสวรรค์เป็นเทพก็มีบุญเยอะแยะเหลือเฟือก็ไม่ต้องอาศัยบุญของผู้ที่บุติษไปแค่ก็มีพวกเดียวที่สามารถมาล้า บ, บุญได้คือพวกเปรตนี่ น่าจะมีพูดเรื่องสงครามบ่อยครับอาจารย์จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรดีครับเป็นห่วงเรื่องสงครามครับเรียองตายเลดีสุดเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสาาว่าธรรมเนเราจะเรียนความตายกันเราจะประมาทกันตอนนี้สงครามมันเกิดเนี่ยมันเป็นตัวจุดชนวนให้เราเริ่มีสติเรื่อมมีความไม่ประมาทพราะชีวิตของเราในนี้จุดก็ต้องต้องตายด้กันทุกคนแต่เราสามารถตายแบบทุกข์กับตายแบบไม่ทุกข์ได้ ถ้าเราเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ดีเราจะตายแบบไม่ทุกข์ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้เราจะตายแบบทุกข์ทรมาร์ะนั้นรต้องขอบคุณสงฆ์ขามที่ได้สร้างเป็นเครื่องมามามาสะทุ่งจิตใจเราเหมือนกับทุ่งจิตใจของเราให้เริ่มเตรียมตัวเสียตั้งแต่แบบนี้อันดีไม่เห็นลองลมันไ ม, ไม่ไม่หลังน้ําตาการของเรา เวลาที่สวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วแผ่เมตตาแล้วจําเป็นจะต้องกวดน้ําลงดินด้วยไหมครับเไม่จําเป็นนะถ้านให ญ, ญ่บุนนี่ก็ยังอุทิศไปไม่ได้เพราะบุญยังไม่สําเร็จยังไม่เกิดคนที่จะนั่งสมาธิจนจิตสงบนี่ให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาเนี่หายากมีน้อยมากแต่จะจะทําไปก็ได้มันก็ทำเป็นกิริยาไปไม่มีผลอย่างไงไ ม, ม่ไม่มีบุญส่งไป คุณมาตีคอมเมนต์ครับบอกว่าไปโรงพยาบาลต้องรอคิวนานสี่สิบคิวเลยนั่งสมาธิท่ามกลางเสียงที่วุ่นวายต่างๆรอบตัวพบว่าเข้าสมาธิได้ดีมากครับอาจารย์ครับนั่นแหละมันนั่งสมาธิคอยมีสติเราจะอยู่ที่ไหนมันก็สงบได้อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้เลยว่าเขาส่งเสี้งดังถ้าโทษเขาสแสดงว่าสติเรายังไม่ไ ม, ม่พอที่จะดึงจิตให้อยู่กับกรรมฐานผูกใจไว้ได้ เพราะใสินนี่อะไรมากระทบหน่อยก็ไปเลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเลยการเพียนฝึกสติและสมาธิแต่จิตไม่สามารถเข้าฌานได้จะสามารถปฏิบัติภาวนาจนเข้าสู่กระแสะพระนิพพานได้ไหมครับไม่ได้หรอกต้องเข้าสู่กระแสะของสมาธิก่อนเพื่ถึงจะสามารถเข้าสู่กระแสะของพระนิพพานได้คุณจเชยะ ชนครับบอกว่าทําบุญวันพระใหญ่ได้บุญเท่ากับหรือมากกว่าวันพระปกติไหมครับบุญมากบุญมากไม่ได้อยู่ที่วันที่เราทําอยู่ที่จํานวนจํานวนบุญที่เราทำํำถ้าเราใส่บาตรสองชุดกับใส่บาตรสามชุดนี่ยใส่บาตรสามชุดจะได้บุญมากกว่าใส่บาตรสองชุดนะวันไหนก็ได้มันไม่ไม่เกี่ยว เราจะวางใจอย่างไรให้เรารู้สึกกระตือรือร้นในการทำบุญทำกุศลตลอดเวลาครับการนึกถึงความตายอยู่เืงนี้นึก ถ, ถึงว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราไ็ได้ถ้าตอนนี้เราตายพวกนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญอีกแล้วเพราะฉะนั้นดันได้มีโอกาสไี้ทำเสียถ้าเราเอาเงินของเราซื้ออาหารมาทำกับข้าวแล้วเราแบ่งกับข้าวใส่ถุงให้แม่ และบอกว่าอาหารชุดนี้ให้แม่แล้วบอกแม่ว่าแม่เอาอาหารชุดนี้ฝากเพื่อนบ้านอยากทราบว่าทานนี้เป็นของแม่ใช่หรือเปล่าครับคือาหารที่เราแบ่งให้แม่เนี่ยเป็นทานของเราเราเป็นคนให้แม่ไปส่วนแม่จะเก็บไว้กินก็จะไปให้เพื่อนบ้านอันนั้นก็เป็นเรื่องของแม่แต่ถ้าเราไปบอกแม่ว่าให้เอาของอาหารชุดนี้ที่ให้แม่นี้ไปให้เพื่อนบ้านเนี่ยแม่ไม่ได้บุ แม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทําทางอะไรแม่เพลงแต่ได้รับใช้เราเท่าั้นเองเพราะเราเป็นคนใช้แม่ให้เอาอาหารถุงนี้ไปให้คนเพื่อนบ้านนถ้าเราอยากจะให้แม่ได้บุญเองเราต้องไม่บอกพราะแม่ว่าเขาจะเอาของอาหารถุงนี้ไปให้ใครแล้วแต่แม่แม่จะเก็บไว้เองกินเองแม่ก็ไม่ได้บุญถ้าแม่เอาไปให้คนอื่นแม่ก็จะได้บุญแต่ถ้าเราไปสั่งไว้ก่อนแล้วแม่ Uh huh. อาหานี้ไปให้พื้นบ้านนะอันนี้เป็นการสั่งไม่ได้เป็นการให้ให้แม่เลยเป็นการใช้แม่ใช้แม่เอาของที่เร า, าไปคนให้บุญแต่แม่ต้องเป็นคนรับใช้เราในการทำบุญของเราแม่ก็ได้บุญที่เกิดจากการรับใช้เราเแต่ไม่ได้เกิดจากการให้คนละบุนคนลชนิดกัน การเลี้ยงดูบุตรในปัจจุบันให้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องกรรมเราควรจะสอนแบบไหนดีครับอาจารย์พาเข้าวัดบ่อยๆมีโยมคนหนึ่งก็มีเด็กที่เป็นออทิสติกสติไม่คดีแต่เขาพยายามพามาวัดทุกอาทิตย์มานั่งสมาธิเอาเทศเอาธรรมอันนี้เขาดูอาการสติสตังดีขึ้นเยอะปิยาการสมอูรขึ้นให้หตา่างๆมันต้องพาเข้ามาที่วัดที่มีการฝึกฝนอบรมสติ จะได้เรียนรู้ไปเราลําพังคงยังไม่ไม่สามารถสอนสอนเข้าได้แต่ถ้าเราไปที่ที่มีการฝึกสมาธิมีการนั่งสมาธิแล้วก็หันนั่งทํามาธิไปเขาจะได้เจริญสติไปในตัวบางทีมีความสึกเหนื่อยและมีข่าวพระทําให้ท้อใจครับอาจารย์ก็อยากก็ต้องเข้าใจว่าพระไม่ใช่มีรูปเดียวในในประเทศไทยพระมีเป็นแสนรูป ก็มีบ้างหละพระก็เป็นคนมาจากคนธรรมดาที่มีหลากหลายระดับของความดีบางคนก็ออกมาจากคุกเพิ่งออกมาจากคุกมาบวญก็มีนะาะ้มันมันมีทั้งดีไม่ดีมาปนกันในเข่งทีเดียวกันเราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่า เ, าเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเห็นพระที่ไม่ดีบ้างพระไม่ดีเราก็อยากไปเขอรบเราก็อยากไปทำบุญกับท่านกนแล้วกัน ทำก บ, บุลกับพระที่ดีไปวันก่อนไปวัดแห่งหนึ่งรองเท้าผ้าใบคู่สวยหายไปครับไม่รู้สึกเสียใจเพราะได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์นะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนที่ไปวัดเขาต้องถอดรองทเท้ามันส่วนใหญ่ถ้าอย่างถ้าเสียดายรองเท้าก็อย่าอย่าใส่รองเท้าที่เราลักไปใส่รองเท้าที่เราไม่เสียดายใส่รองเท้าแต่ไปก็ได้ขับรถไปเวล า, าลงจากวรถก็เปลี่ยนรองเทา้า ถอาเท้าคู่ละห้าพันเราก็เก็บไว้ในรถแล้วก็ใส่รองเท้าแตะคู่ละห้าสิบไปถ้าหายไม่เป็นไรเวลาที่พบสัตว์ที่ถูกรถชนตายตามถนนเคยได้ยินว่าหากเราแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่านี้จะทําให้บุญเราหมดจริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอไม่เกี่ยวกันแผ่เมตตาไม่ยเป็นการแสดงความสงสาร ความเมตตาซึ่งเราแผ่ไม่ได้เมตตาล้แผ่ให้กับคนที่มีชีวิตอยู่มิสัต ท, ที่มีชีวิตอยู่สั์ที่ตายไปแล้วเราทำอะไรให้เขาไม่ได้มาิดบุญก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําบุญแผ่เมตตาเมตตาเขาก็รับไม่ได้ เ, าเขาก็ตายแล้วั้นได้แต่ตรงสังเวชสอนใจเราเท่า้ว่าชีวิตไม่น่าแน่นอนนะทำบุญตามกรรมถึงเวลาจะตายเมื่อไหร่มันก็ตายได้ทุกที่ทุกแห่ง ใจเราเป็นทุกข์จะต้องทําอย่างไรให้ทุกข์เบาลงครับลดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์อย่างได้นเดินเดินขึ้นอย่างนั้นไม่ได้ก็ยอมนะว่าเราไม่เอามันเลยแค่ปัจจุบันที่ไปก่อนก็นแล้วกันมันก็หายทุกข์ได้แต่ถ้ายังอยากจะให้เขาขึ้นอยากให้เขาขึ้นหรื อ, ขขอคิดมันก็ยิ่งทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นเลยถ้ารู้ว่าขออยากแล้วไม่ได้ก็หยุดความอยากมันเสียมันก็จะได้ไม่ทุกข์ เรื่องฌานกับยานแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ฌานคือความสงบของใจเป็นสมาธิที่เขาแบ่งเป็นชั้นๆสมาธินี้มีแบ่งเป็นแปดชั้นแปดเก้าชั้นด้วยกันรูปฌานสี่รูปฌานสีปปน่นิโรดหนึ่งสัญญาเวทิตานิโรดหนึ่งนี่คือความสงบขั้นต่างๆสงบมาสงบน้อยตามลาดับขึ้นไปนั่นชั้นนี่คือคําว่าฌาน ส่วนญาณนี้คือการอย่างรู้อย่างรู้ว่าเราตอนนี้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วอย่างมีมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือมียาอย่างรู้ว่าตอนนี้เราไม่มีความทุกข์แล้วอย่างหมดพ้นจากความทุกข์แล้วอย่างนี้ก็ัปัญญาณรืญาณอย่างรู้สามารถอ่านจิตใ จ, จ, จของผู้อื่นได้รู้ว่าคนนี้กําลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่อันนี้ก็ปัญญาการรับรู้หรือการอย่างรู้ สิ่่งงทีีมีมมใในใจขอเราหากเราสอนนักเรียนไม่ได้เพราะอารมณ์เขาร้อนมากเราควรจะทําอย่างไรครับก็ร้อยก็เย็นก่อนค่อยสอนเลยถ้าเขาไม่เย็นเขาไม่น้องสอนคนที่ไม่รู้นําปัจจัยไปใส่บาตรพระเขาจะบาปไหมครับไม่บาปเขาเป็นการทาบุญทำทานของเขา มีแต่พลาดจะต้องแจ้งเราทราบเราสามารถกําจัดความกลัวได้ยังไงครับยอมตายในที่สุดถ้ายอมตายเราจะไม่มีความกลัวกับอะไรต่อไปโอ้ความความความตายนี่เป็นสิ่งที่เราเรากลัวมากที่สุดกลัวยิ่งของการสูญเสียเงินทองสูญ เ, เ, เ, เสียอวัยวะสูญเสียตา ถ้าเราอยอมตายแล้วเราจะหายกลัวเราจะไม่กลัวอะไรเลยมันทอหายก็ไม่กลัวคนรักตายไปก็ไม่กลัวถ้าเราอยอมตายแล้วมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันแก้ปัญหาได้หมดใ น, นเรื่องของความกลัวถ้าเราอยอมตายได้คุณัญญาเขาเขียนถามอย่างนี้ครับอาจารย์บอกว่าทุก์ใดก็ไม่ทุกก่อนตายใช่ไหมครับ ก็แล้วแต่ทุกเพราะว่ามันทุกข์มากที่สุดก็คือความตายนี่แหละเพราะเราเราเราักชีวิตเรามากที่สุดน้อยิ่งกับสิ่งใดเมื่อต้องสื่เสือสิ่งที่เรารักมากที่สุดมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นที่สุดทุกข์น้อยก็ถ้ารักน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่นักเลยก็มันทุกข์เลยการปฏิบัติธรรมทำสมาธิ ไม่มีครูบาอาจารย์จะปฏิบัติตามสื่อออนไลน์ได้ไหมครับก็ต้องมันใจว่าเป็นสื่อที่มาจากแหล่งที่ถูกต้องคือมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์นันจะเอาเป็นออนไลน์ก็ได้แตะโดยตรงก็ได้แต่ต้องเป็นว่าต้องมาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์คุณปาริชาติครับ กับพระอาจารย์ครับอธิก่อนโน้นฝันถึงเปรตแต่เธอมีใบหน้า ง, งดงามแต่งตัวสวยผ้าหนุ่งประณีตมีเครื่องประดับทองด้วยแต่พูดไม่ได้ในฝันมีคนบอกว่าเป็นญาติฝั่งคุณยายของหนูซึ่งเป็นราษชสกุลหนูจําได้ว่าแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่เด็กเคยฝันถึงเปรตแต่รูปร่างดําตัวสูงมากและฝันนั้นก็ผ่านมาแปดสิบปีแล้ว หนูไม่แน่ใจว่าท่านมาขอบุญหรือไม่แต่หนูก็ได้ทำบุญส่งไปให้รวมถึงตัดผมบริจาคพร้อมอุทิศกุศลให้ท่านด้วยสงสัยเหลือเกินว่าเปรตทำบาปหนักมากแค่ไหนแต่ทำไมยังดูงดงามได้บาปชนิดใดทำให้เป็นเปรตแบบนี้ครับมันอาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งของเราเองก็ได้ใจเรามาชอบจินตนาการมันกดเขียนนิยายแล้ว น, นอนนําบมันก็ปรุงแต่งนิยายขึ้นมาให้เราเห็เป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา เรื่องของความฝันนี่เราอย่าไปเชื่อไม่อย่าไปปฏิเสธให้ลูกเฉยๆไปก็พอแล้วให้มันผ่านไปพิจารณาว่าเป็นตายรักไปดีที่สุดนั่งสมาธิสามนาทีตอนเช้าได้บุญไหมครับก็ดูที่ความสงบสงบหรือไม่สงบถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญ ผู้ที่ทําให้สงเกิดความแตกแยกได้รับโทษหนักอย่างไรครับก็เป็นหนึ่งในความบาปที่หนักที่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารทำให้พระพุทธเจ้าหอเนอื้อนั้นยิ่งยให้สงแตกแยกก็ต้องไปตกนรกขุมที่นักที่สุด นี่ไม่ค่อยเข้าใจคําถามครับรอาจารย์บอกว่าฝากคุณหมอถามพระอาจารย์ว่าถ้าต้นกําเนิดทําไมต้องสร้างสังขารด้วยครับคงต้องเขียนใหม่จะดีกว่าไม่อยากจะเดาครับมีวัดที่คนไม่ศรัทธาจเจ้าวาดแต่ยังไปทําบุญขอคําชี้แนะนะครับตอนนี้ไม่อยากไปวัดทําบุญเลยครับ ก็มีวัดอื่นน้ะยๆที่เราสามารถไปได้เขาเรียกว่าที่เรามีศรัทธาเนี่ยศึกษาดูค้นคว้าดูนิดหน่อยมาวันไหนเป็นวันดีวัดที่มีคนเขามีจิตศรัทธาเริ่มใส่แล้วก็ไปที่วัด น, นั้นกําลังคิดลดเวลาทํางานเหลือครึ่งหนึ่งเพื่อมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นคิดแบบนี้มาถูกทางแล้วใช่ไหมครับรายได้ลดลงครึ่งหนึ่งแต่เวลามากขึ้นครับ ตราสติเราจะได้มากขึ้นสตินี้มีคุณค่ามากกว่าสตังเจตังนี้เป็นดาดูแลร่างกายเราได้เท่านั้นเองแต่สตินี้ดูแลดูแลจิตใจเราซึ่งมันเป็นสติเป็นสิ่งที่เราติดตัวไปได้แต่สตังนี่เราติดตัวไปไม่ได้ แม่ชอบทำความสะอาดมากแต่เราไม่ชอบทํางานบ้านเลยเราคิดว่าแม่เหมือนเป็นคนรับใช้ที่บ้านทั้งที่เราไม่อยากคิดเราไม่ช่วยแม่ทํางานบ้านให้แม่ทําคนเดียวเจอแม่ทุกครั้งก็คิดแบบนี้ทุกครั้งแบบนี้เป็นบาปไหมครับถ้าเป็นคนไม่เมนต์ใจไม่มีความกตัญอยูไม่มีความสงสารแม่ให้แม่ทำงานคนจะรีบ ก, ก็ไปช่วยแล้วบอกว่าแม่นั่งเฉยๆหนูจะทําแทนให้จะดีกว่าจะได้บุล ในความอตันอยู่กับแตเวทีวัดแถวบ้านนอกเน้นพิธีกรรมแต่ไม่มีการทาสมาธิหรือเทศอะไรเลยก็เลยไม่อยากไปวัดครับอาจารย์ก็มีบ้านนอกที่เป็นวัดปฏิบัติก็มีเราจะไปเจอแค่วัดที่มไม่มีการปฏิบัติเท่านั้นเองกรณีก็ต้องค้นคว้าหน่อยเนเวลาเราไปไปซื้อของซื้อลอตเตอรี่บางทีเราก็ต้องค้นหาะ อู่รถที่ไหนดีใช่ไหมราคาดีคุณภาพดีอะไรต่างๆมันก็ต้องค้นคว้าหน่อยวัดก็เหมือนกันโรงพยาบาลก็เหมือนกันรันกษาพยาบาลบางทีก็ค้นคว้าดูว่าโรงพยาบาลไหนดีนกว่ากันทุกอย่างมันก็ต้องมีหลากหลายในการมันไมเหมือนกันทุกอย่าง มีหากบริกรรมอาการ32กลับไปกลับมาจะสงบได้เท่าดูลมไหมครับลองดูเลยแล้วแต่แล้วแต่เวลาถ้าเราดูลมไม่ได้ก็อาจจะใช้การบริกรรมนี้ไปช่วยมันก็เชื่ออาจจะทำให้จิตสงบได้เหมือนกันคนจะลองดูเองดีกว่จะได้จะได้รู้จริงเห็นจริง หลังจากทําบุญเราบอกบุญกุศล น, นี้เราขอให้เพื่อนมีส่วนร่วมในบุญนี้อย่างนี้เขาจะได้ด้วยไหมครับคือบุญที่เราจะให้นี้ต้องให้กับผู้ที่น้องรับไปแล้วถ้าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่นี่เราก็ไปบอกเขาเลยข อ, อกาสครับใส่ถุงเท้าใส่บาทพระอย่างนี้บาปไหมครับมันเป็นงานแสดงความเคารพนะท้านนี้น ถ้ายินสูงกับพระแม่กะทั่งใส่ถุงเท้าเองถือว่าสูงกับพระที่ไม่ได้ใส่ใส่อะไรเลยก็แสดงว่าเราขาดความเคารพไม่ถือกับบาปการบริจาคร่างกายเมื่อเสียชีวิตตามที่โรงพยาบาลกําหนดถือว่าเป็นการให้ทานไหมครับมันไม่ได้เป็นการให้ทานเพราะทานนั้นเราให้ตอนที่เรามีมีชีวิตอยู่ เพราะเราจะได้รู้ว่าเราได้บริจาคของที่เรารักไปแต่เวลาร่างกายตายไปแล้วเราไม่รู้ ว, ว่าร่างกายของเราที่ได้เอาไปบริจาคหรือไม่เราก็จะไม่ได้ผลจากการให้นั่งกายของเราไปถ้าอยากจะได้ผลต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นบริจากตาไปข้างหนึ่งเจะตายไปข้างอย่างนี้เป็นต้นเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจปิติขึ้นมาในใจที่เราได้สละของที่เรา ถือว่ามีคุณค่ากับเรามากไปบุญเกิดขึ้นทันทีอย่าถ้าเราตายไปแล้วเขาจะโหนใจเราไปทําอะไรนี่เราไม่รู้วนะตอนนั้นเราไม่ได้บุญนะถ้าไม่มีการรับรู้เราก็จะไม่มีอนกันเมื่อบุญก็จะไม่เกิดขึ้นในใจเราเห็นเด็กเกิดมาถูกทําร้ายบ้างไม่มีกินบ้างเป็นเพราะไม่ได้ทําบุญทําทานมาใช่ไหมครับจึงจัดจึงยากจนครับ มันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะอย่งในปัจจัยนั้นก็คืออาจจะาชาติก่อนไม่ได้ทําบุญทาทานมาด้วยก็ได้ถวายน้ําเต้าหู้เป็นน้ําปานะได้ไหมครับคือแล้วแต่พระสายไหนบางสายท่านก็ท่านก็ถวยได้บางสายก็ถวายไม่ได้ว่าก็ถือว่าเป็นอาหารบางสายถือว่าเป็นยาถ้าเป็นยาก็ก็ถวายได้ ตอนบ่ายนะหมายถึงตอนบ่ายแต่ถ้าตอนเช้านี่ก็ถวายได้ทุกอย่างฉันพเพราะยังถือว่าเป็นอาหารถ้าก่อนเที่ยงวันนี้นับสิ่งที่เป็นอาหารได้แต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี้รับสิ่งที่เป็นอาหารไม่ได้เวียนหัวนั่งสมาธิชอบดับคอบา่าไหลไปมาแต่ก็รู้ตามอิรยาบทไม่ไหลไปที่อื่นแบบนี้ทําได้ไหมครับ ไม่ควรเพราะจิตจะไม่สงบถ้าอยากจะให้สงบนี่ต้องปล่อยร่างกายให้เฉยๆอ ย, ายอ่ า, า, ยาไปยุ่งกับร่างกายเพราะการไปยุ่งกับร่างกายเป็นการทํางานของจิตถ้าจิตยังทํางานอยู่จิตก็จะสงบได้ยากกว่าถ้าจิตนะถ้าจิตปล่อยให้ร่างกายอยู่เฉยๆไปถามพระอาจารย์ครับนิโรธคือการรู้แจ้งทําไมในอริยสัจสี่จึงมาก่อนมรรค เราต้องทำมรด ก, ก่อนจึงจะรู้แจ้งครับอ๋อลำดับไม่สำคัญหรอกท่านต้องการแสดงเหตุท่านต้องการแสดงผลก่อนแล้วงการแสดงเหตุในอนิยสัจข้อนหนึ่งท่งานแสดงเหตุก่อนคือความทุกข์ก็เหมือนกับหมอหมอต้องรู้คนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยก่อนเนะพราะรู้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงค้นไปหาสาเหตุอีกทีว่าเกิดจากอะไรนะคนไข้ามาหาหมอนี่เข้าอะไรมาใ ห, ให้คุณหมอก่อนเพื่อนนะ เอาทุกมาให้ก่อนใช่ไหมครับเมื่อเขาม า, าเราคขาเอาทุกมาแล้วก็ต้องหาใช้ของความทุกข์เกิดจากอะไรพอเราเรู้ว่าเกิดจากอย่างไดจะรักษาอย่างไงเราก็ให้วิธีรักษาไปแล้วอเขาเอาไปใช้เขาก็จะทาจําให้โรคภายไข้เจ็บหายไปที่มันไม่สําคัญ ว, ว่าอะไรมาก่อนมาหลังอันนี้เป็นเองแท้ลําดับความ ควา ม, มันอา จ, จะเป็นเป็นเรื่องของการนโนดวอย่างเงีพูดแบบนี้พูดถึงปัญหาก่อนแล้วก็ค้นหาปัญหาว่าเกิดจากอะไรมันรู้ว่าเกิดจากนี้ก็เอาวิธีที่กําจัดปัญหานี้มามากําจัดมันคือยาหายามาใช้เราให้ยามาถูกต้องคนข้าไปกินมันก็โรคไั้ก็หายไปแต่ทําไมเขาไม่เอาเอาเอ า, เอายาไปไว้ขั้นที่สามใช่ไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้มามไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือให้รู้ว่าแต่ละความจริงแต่ละอย่างมีหน้าที่อย่างไรต้อ ง, องทําอะไรอย่างไรทั้งนี้ก่อนตายต้องทําจิตอย่างไรครับถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คือทำใจให้นิ่งปล่อยวาง การทำสมาธิสามารถทำเองได้ไหมครับเคยมีคนบอกว่ามีโอกาสจะเป็นบ้าหรือสติแตกได้ถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยดูแลครับก็ต้องมีอาจารย์มีคนสอนหรือว่ามีหนังสือที่ที่เขียนโดยผู้ที่มีความรู้จริงเกี่ยวกับการทำสมาธิก็ไม่ก็จะไม่เป็นบ้าที่เป็นบ้าว่าทำไปเองคิดไปหลงไปเองก็เลยเป็นบ้าน้ เรียนถามครับถ้าอยากทําบุญเพื่อให้เกิดประโยชน์กับศาสนามากที่สุดแต่ไม่อยากสร้างวัตถุสถานควรทาบุญอะไรได้บ้างครับก็สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสร้างพระอริยบุคคลสิ่งสำคัญที่สุดของศาสนาก็คือพระอริยบุคคลเราต้องสนับสนุนพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบให้ได้ได้ปฏิบัติเพื่อให้นักมนุษย์เป็นพระอราหันต์ขึ้นมา เ ม, ม, มาท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็สามารถที่จะมาเป็นผู้สักซ้อนวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับพวกเราได้ต่อไปการทำสมาธิเพียงเท่าปลายนิ้วรัดดังที่พทธเจ้าตรัสไว้เราจะได้บุญมากจริงไหมครับถ้ามันสงบก็ได้ถ้ายังไม่ได้บุญถ้าไม่สมงบมันก็ยังไม่ได้บุญ ถ้น้อยใจคุณแม่นี่เป็นบาปไหมครับก็เป็นกิเลสอย่างไรก็จะเป็นควา ม, วามไม่พอใจอยน้อยใจขึ้นมาอย่าไปน้อยใจเลยก็คิดถึงมูลคุณของท่านท่านจะทำอะไรก็ให้ภไยท่านอย่าไปโกดท่านแม่จากไปหลายเดือนแต่ยังทุกข์ เรคิดเรื่องอดีตที่ตัดสินใจผิดพลาดก่อนแม่แอดมิทที่ไม่กี่วันและจากไปคิดโทษตัวเองทุกวันครับถ้าคิดเพื่อเอามาไปสอนเป็นบทเรียนก็คิดได้ว่าเราทําผิดพลาดอย่างไรแล้วพยายามอย่าไปทําซ้ำํำอีกถ้าคิดแล้วเพื่อมาซ้ําแต้มตัวเองให้มีแต่ความทุกข์ใจก็อย่าไปคิดให้เสียเวลาดีกว่าเป็นความคิดนัน่นคือการบาลกรรมพุโทโธพุโทโธหรือสวดมนต์ไป สาธยายพุทธคุณอิติปิโสไปเรื่อยๆก่อนนอนจนกระทั่งหลับไปอย่างนี้ได้บุญไหมครับใช่ครับ ไ, ไม่ได้บุญไม่ได้ความสมงบหนูเริ่มทานอาหารวันละหนึ่งมื้อสิบเอ็ดโมงและเริ่มนั่งสมาธิมาได้หนึ่งเดือนและนั่งนานสุดเกือบสามชั่วโมงโดยไม่ขยับเลยครับและรู้สึกตัวแค่รู้ว่ามีคนเปิดประตูหรือจะทําอะไรแต่ไม่ได้ลืมตาทําถูกไหมครับ พุทโธเวลาเราทำสมาธิอย่าไปสนใจกับอะไรเลยให้สนใจอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้เป็นที่ผูกใจถ้าเป็นการบริการพุโทโธก็อย่าพุโทโธไปดูลมก็ดูลมไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตเราก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ทําโรงทานกับเพื่อนๆตามกําลังศรัทธาเราได้บุญไหมครับก็ได้บุญตามกำลังกำลังทรัพย์ที่เราบริจาคไป เราใส่บาทพระที่มารับบาทส่วนมากใส่รองเท้ากันเกือบทุกรูปแล้วให้พรยาวมากท่านอาบัตรไหมครับก็มันไม่ก็เป็นก็ไม่เป็นธรรมเนียมที่ควรจะปฏิบัติพระบินทบาทท่านจะถอดรองเท้ากันอันนี้เป็นธรรมเนียมนั่งเดินอยู่นอกจากท่านมีสาเหตุอาจจะเป็นเจ็บเท้าหมีแผลที่เท้าอะไรนี้ก็อาจจะเป็นกรณียกเว้นได้ทาถ้าอาพาธนีมักจะถูกจะมีข้อยกเว้นให้ อยากทราบเรื่องรักษาศีลแปดครับถ้าเราบางครั้งคุยเล่นและคนมาโดนตัวเราจะบาปไหมครับคือยังไม่ถึงกับผิดศีลนะเพราะว่าถ้าจะผิดศีลนี้เราต้องไปร่วมเพศกันแต่ที่เขาให้เราไม่ให้แตะต้องกันเพื่อป้องกันให้มันไม่ให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาที่จะนําไปสู่การผิดศีลได้แต่เพียงแต่แตะแตะ ต, ต้องกันบ้างโดยไม่มีเจตนาเนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการ ผิดศียคือข้อที่ห้ามร่วมเพศกันแล้วคุยเล่นได้ไหมครับอาจารย์คุยเล่นนี่มันเป็นเรื่องของนักบวชถ้าเราเป็นนักบวชก็จะต้องข้อมูสารนี่มันจะไม่เพิ่มอีกสามข้อด้วยกันคือไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพาะเจ้าพูดเล่นแล้วก็ไม่พูดสาเสียก็พูดยุยงให้ก็เปิดกาทรทะเลาะวิวาสกัน อันนี้ก็ยังไม่พูดถ้าเป็นนักบวชเรารู้ว่าสิ่งใดทำแล้วจะดีแต่ความรู้สึกเราไม่อยากทำแต่เราต้องทำเพราะรู้ว่าดีเป็นการทำแบบฝืนๆเพื่อไม่ให้เราเสียใจยภายหลังเราควรจะฝึกใจอย่างไรครับถ้าทำไปเรื่อยๆพอเราเห็นผลว่ามันดีเราก็จะมีกำลังใจต่อไปถ้าเราไม่ทำเลยเราก็จะไม่รู้ว่าผลดีมันเป็นอย่างไร แต่พเราทําดีแล้วเราได้รับเงื่อนขั้นเงื่อนตําแหน่งมันก็จะทําให้เรามีกํำลังใจที่จะทำทำดีมากขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเราก็จะไม่รู้ว่าผลดีนั้นจะเป็นจะดีอย่างไรเป็นประโยชน์อะไรอย่างไรกับเราบ้างเราทําไปก่อนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกับพลังจิตใช่หรือไม่ครับ คือวิญญาณมันก็เป็นคำว่าชื่อของตัวตัวจิตเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เป็นจากการเลี้ยงจิตปเปลีกยนเป็นดวงวิญญาณไปถ้าเราไม่มีเงินแต่เรามีใจยินดีขออนุโมทนาบุญกับคนใส่บาตรแบบนี้เราจะได้อนิสงฆ์แห่งทานเหมือนคนที่มีไหมครับไม่ได้ไน่ได้แต่อานิสงฆ์แห่งการอนุโมทนาคือความยินดีแทนที่จะลอง เ, เสนอ อิจฉาเขาหรืออิจฉาไม่พอใจที่เห็นเขาทาแล้วเราไม่ได้ทําขึ้นมาแทนที่จะได้ความทุกข์ถ้าเรานุโมทนาเราก็จะได้ความสุขอย่ ก, การที่เราอนุโมทนาแสดงความยินดีต่อการทําบุญของเขาแต่เราจะไม่ได้อานิสงส์ของของการให้ทานเหมือนกับที่เขาทำแต่ผมทําสมาธิภาวนาพุทโธและมีกระแสลมพัดมาที่หน้าทําให้นึกถึงกรสินวายโย อาจารย์ช่วยแนะนําทีครับจะทําให้จิตไม่ฝูกซ่านอย่างไรครับแต่ผมก็มีปิติสุขครับก็ต้องกอดติดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวถ้าเราใช้พุทโธเป็นอารมณ์อย่าไปสนใจกับอะไรที่มาปรากฏในขณะที่เรานั่งให้ยึดอยู่กับกรรมฐานเดียวแล้วกรรมฐานนี้ก็จะพาเราเข้าสู่ความสงบได้มีคนแนะนําให้สวดมนต์บทพาหุงมหากาครับพระอาจารย์ ส่วนวันไห้ก็ได้เพราะการสวยวันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อทำจิตให้สงบในระดับหนึ่งโยมเก็บลูกนกกระจอบมาเลี้ยงได้สองสัปดาห์ตอนนี้ตั้งใจว่าถ้าลูกนกโตอีกหน่อยจะเอาไปปล่อยบริเวณที่เก็บมาเผื่อลูกนกเจอพ่อแม่แต่กังวลเกรงว่าลูกนกจะตายเพราะหากินเองไม่ได้กลัว จ, จะเป็นบาปครับ ก็ลองนี้เขาไปแต่เราก็เปิดกลงไว้ให้เขาไม่อยากขังเขาไว้ัลยถึงเวลาเขาคิดว่าก็จะไปหากี่พอเองนาเขาก็ไปเองทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่ถุกครับยัามีความอยากไงการทำบุญเขียนว่าการทำบุญรัวป่าช้าได้อานิสงส์อย่างไรครับ ก็เป็นทานอย่างหนึ่งบริจากเงินสร้างลูกขึ้นมาเงินสร้างบวสร้างเจริญการลวกหอยแครงถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ไหมครับถ้าตายก็ฆ่าสัตว์ถ้าไม่ตายก็ไม่การทรมานสัตว์อย่างยิ่งคิดถึงเราถ้า เ, าเป็นคนทำงานอารมณไรุ่งลุล่งอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างไรการใส่บาตรเพื่ออุทิศให้พ่อแม่ที่ล่วงรับ ถ้าเขาไม่ได้มารับแล้วบุญนี้จะไปไหนครับก็กลับมาเราหรือถ้าเราออชิ้นต่อไปว่าถ้าพอมาไม่ ม, มารับก็ขอให้สัระสาทที่เราเรารับบุญนี้รับไปก็ได้ที่ไม่ใช่ปรรญาของเราก็ได้ตราบขอหลักคิดครับเพื่ออยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนื่องจากเมื่อวานเกิดภาวะเส้นเลือดตีบในสมองด้านซ้ายในส่วนที่ทำงานด้านภาษาความจาหายนึกคาพูดไม่ออกครับ ก็ไม่ไ้องทำอะไรทำใจใสงบไว้เท่านี้ไม่ค่อยมีเวลาไปใส่บาตรครับนั่งสมาธิได้บุญไหมครับ ถ, ถ้าสงบก็ได้บุญเคยมีพระสงฆ์มาแอดมิทวันกลับบ้านพระสงฆ์บอกตึกนี้มีวิญญาณเดินเต็มไปหมดอย่างนี้เป็นความจริงไหมครับต้องถามท่านเลย ตอนที่กําลังก่อสร้างวัดยานองค์พระสังกัราชได้เมตตา ม, มาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณทหารด้วยเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นใช่ไหมครับไม่ทราบเหมือนกันครับตอนพระอาจารย์มานิวัดเสร็จนานแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็เสร็จเป็นส่วนใหญ่ก็เสร็จเป็นรูปเป็นร่างกันนะแต่ก็ยังมีการสร้างสร้างสร้างเจดีย์สร้างอะไรอยู่ โอกาสถามพระอาจารย์ครับว่าการไปบวชในข่ำมะสามารถบอกกล่าวญาติหรือเพื่อนเพื่อขอโอโหสิกรรมเหมือนการบอกกล่าวก่อนบวชพระได้ไหมครับคือก็ไม่นิยมกันนะแต่ว่าเป็นการไปทําบุญที่วัดปัจจุบัติแบบชั่วคราวแต่การบวชนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นเป็นเป็นออฟฟิเชีเป็นการบวชที่เป็นทางการเขาก็มีทําเนียมให้ไปขอเข้ามาการไปทั้งใน จะขอข้ามากับใครนั้จะบวชไม่บวชก็ไปขอเข้ามาได้ใช่ไหมนี้นอยากจะไปขอขามาใครก็ไปขอเข้ามาเขาได้ไม่ไม่จะต้องมารอเวลาที่เราจะไปบวชถึงจะไปขอเข้ามากันถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรไม่ไม่ถูกไม่ควร ก, ก็ไปขอเข้ามาเขาเสียจใจเราจะได้สบายและเพื่อบางทีเขาอาจจะไม่ถือโทษกอดครืงเราก็ได้ ภรรยาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเข้าออกโรงพยาบาลสามีบ่นว่าอยากให้ตายไปเลยจะได้ไม่ทรมานคนอยู่แบบนี้เขียนแค่นี้ครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องของเขาบางทีเรื่องเป็นเรื่องตายนบางทีก็ไม่ควรจะพูดเนี่ยเเป็นเรื่องของบาดใจกันพูดไปแล้วก็อาจจะไปเตะความหมายเป็นอางอย่างหนึง่งว่าเขาอยากให้เราตายแล้วใช่ไหมเขาจะได้ไป ม, มีแฟนใหม่ ที่ก็ทให้เขาเสียใจน้อยใจเพราะนนเรื่องาวนี้ไม่ควรจะพูดจะดีกว่ามีเพื่อนมาถามว่าการจิตดูจิตเป็นอย่างลูกตอบเพื่อนว่าการดูจิตหมายถึงว่าจิตเราขนาดคิดอะไรทำอะไรให้เราตามดูไม่รู้ว่าลูกตอบถูกไหมครับการดูจิตหมายถึงการศึกษาจิต ศึกษาธรรมชาติของจิตว่าจิตเป็นอย่างไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงทำให้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์มีตัวตัวตนในจิตนี้หรือไม่นี่คือลักษณะของการดูจิตทางศาสนาพุทธศึกษาเข้าใจให้เห็นว่าจิตนี้มันไม่มีตัวตนมันเป็นของไม่เทีย่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าไปยึดไปติดกับมันมันจะทำให้เราทุกข์ได้ ตอนจิตเพื่อให้จิตไม่ไปหลงยึดกับจิตเนี่ยอย่าไปยึดติดกับจิตอย่าไม่อยากให้จิตสงบผ่องใสเพียงอย่างเดียวเพราะในธรรมชาติของจิตมันยังมีการเปลี่ยนแปลงไนดะ้มีผ่องใสได้มีเบิกบานได้มีเศร้าหมองไนดะ้ถลับกันไปล้ตะเหตุแต่ปัจจัยถ้าไปอยากให้มันผ่องใสอย่างเดียวเพราะมันไม่ผ่องใสก็อย่าให้ใจทุกข์ขึ้นมา ถ้ามีแฟนที่คบกันมาเกือบสิบปีแล้วแต่ไปรู้สึกดีกับคนที่สนใจทางธรรมเหมือนกันรู้ว่าใจกำลังทำผิดศีลจะใช้ท ร, ร ม, มาข้อไหนจัดการกับความรู้สึกนั้นหรือเราควรจะเลือกคนที่สนใจทางธรรมเหมือนกันครับลาคุณยังตัดสินใจเชื่อเชื่ชอสองคนนกเขามาวางไข่ที่หน้าต่างห้องเราแล้วไม่ลือแล้วเราไปลื้อออกอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ก็ไม่ควรเนีเป็นคนอย่าไปยุ่งคนระับเขาไวา้เขาทำไปตามกระบวนการของเขาจะดีกว่าในวัยเด็กลำบากยากจนไม่ค่อยมีอาหารทานจึงทำบุญด้วยอาหารใส่บาตรตอนเช้าแล้วทำบุญด้านอื่นด้วยหวังว่าชาติหน้าถ้าเกิดจะไม่ลำบากคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับการทำบุญทำทานก็จะช่วยให้ชีวิตเราไปในพรุ่งน้าชาตินานสบายขึ้น จิตไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแตง่งทั้งที่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่ไม่ได้เดินจงกรมคือจิตรวมใช่ไหมครับถ้าจิตรวมจะไม่มาถามมันจิตรวมถ้าจิตรวมมันจะเป็นเหมือนกาเน่งสมองมานลอยอยู่ในอวกาศไม่มีความคิดปรุงแต่งเลยเมื่อเกิดความรู้สึกที่มีความสุขที่ไม่เคยพบมา ก, ก่อนอันนั้นเปนเรียกว่าจิตรวม เคยรับลูกหมามาเลี้ยงได้หกเดือนจนไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วถวายพระท่านรับไปอย่างนี้เราบาปไหมครับเ้าก็ทำบุญอย่างท่านไปถวายมาไปบางทีมีอารมณ์สงบหลับตาหายเข้าลึกหายใจออกลึกสัมผัสสายลมพัดผ่านร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและสงบ และน้อมระลึกถึงองค์เพะพระพ่อพระสัมมาสัพพุทธเจ้าและน้อมลงก้งกราบพระบาทพระองค์ด้วยน้อมระลึกในพระคุณในคําสั่งสอนเกิดแก่เจ็บตายและเราต้องไปจากโลกนี้อยู่กับลมหายใจครับลูกทําได้ถึงเพียงเท่านี้ควรทําอย่างไรต่อครับเพราะนั้นตงเฉยๆแล้วก็ดูลมไปไม่ต้องทําไม่ต้องเคลื่อนไหวทางร่างกายต้องดูลมไปเ้าไม่ต้องตามลมเข้าลมออกให้เพ่อนดูตรงจุดที่ลมเข้าออกตรงปลายจมกูก อยู่ตรงจุนดนันจุดเดียวเพา่อทำให้ใจนิ่งสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาไม่มีเงินทําบุญครับเราสามารถเอาแรงกายหรือเอาร่างกายทํางานรับใช้งานวัดได้บุญไหมครับได้เรื่องบัญญัติอาสาทําจิติอาสาไม่ไม่จำเป็นต้องทากับวัดเพีงอย่างเดียวทํากับที่ไหนก็ได้ถ้าเราไปช่วยเหลือการสละเวลาสละแรงกายแรง แรงใจของเราเราก็จะได้บุญผมฝึกนั่งสมถธารู้ลมมาหลายปียังคงแพ้ต่ออาการง่วงผอยหลับทางกายแต่ในจิตใจไม่หลับควรแก้อย่างไรครับต้กินชาหน่อยอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการทำใจช่วงที่โลกนี้เต็มไปด้วยสงครามด้วยครับ ก็ใช้ไตลัคน์มาสอนใจว่าโลกนี้เป็นโลกที่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมียามสงบมียามสงกราน์ผ่านก้นมาผ่านกันไปเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้การที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ก็คืออยากก็อยากให้มันสงบไปอย่างเดียวมันมีทั้งสงบมันมีทั้งสงครานทําใจยอมรับกับทุกสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็แล้วัน ใสบาตให้เพื่อนที่ไม่สบายโดยเอาเงินเพื่อนไปซื้อของใส่บาตบอกชื่อเพื่อนและเจ้ากรรมในเวรของเพื่อนแล้วมาบอกอนุโมทนาสาธุแบบนี้เพื่อนได้บุญไหมครับต้องถ้าเพื่อนไม่ได้เป็นคนสั่งเองเพื่อนไม่ได้บุญนะบทีอาจจะได้บาปอาจจะเปขอใจอย่าเลี่ยงมัเขาไปทําบุญทำไมก่อนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ต้องร้ายเขาสั่งก่อนว่าอ <c oughs> ช่วยเอาเงินนี่ไปทําบุญให้หน่อยนะอย่างนี้เราไปทำแล้วเขามาบอกเขาได้ทาเสร็จแล้ว เขาจะได้ชื่นชมยินดีมีความสุขว่าอาจจะขอบใจแล้วที่เราได้ทำหน้าที่นี้ให้กับเขาถ้าผ ม, ผมโอนสมบัตขิของทั้งหมดที่ผมมีให้แม่แล้วไม่อยู่ดูแลแม่ต่อไปการกระทํานี้ผมไม่ได้ทำบาปใช่ไหมครับครับแต่ว่า <c oughs> เราทอดทิ้งท่านหรือเปล่าท่านอยู่คนเดียวได้หรือเปล่า ท่านอยู่คนเดียวได้แล้วเราในกิจที่สำเร็จเช่นไปบวชนี่เราก็ไปได้ <c oughs> แล้วเราก็คอยติดตามอยู่เรื่อยๆหางาว่าท่านเดือน้อนแล้วเปล่าท่านต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าไม่มีใครช่วยเหลือท่านมาจะต้องกลับมาช่วยเหลือท่านต่อไปก็ได้ถ้าเราอยู่กับพ่อแม่ที่เป็น s <S ปอัลไซเมอร์รออ s <S จะปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับก็อมองเอาเป็นวันเด็กๆกันแล้วกัน <c oughs> โยมเห็นขันห้าเป็นธาตุแล้วเหตุเกิดวัดดวงพ่อสอนวิปัสนาแต่อารมณ์โมโหยังอยู่ด้วยเคยรับขันมาก่อนมีผลไหมครับ <c oughs> ยังยังปฏิบัติไม่ไปถึงถึงที่เห็นจริงถ้าเห็นจริงก็จะไม่กรดเห็นจริงก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ <c oughs> จะทำอย่างไรให้ออกไปจากสังสารวัตเวียนไหยตายเกิดได้ครับก็ต้องหยุดความอยากที่พามาเวียน่หวตายเกิดคอือ <c oughs> ความอยากในกความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นทั้งสามความนี่ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับทำบุญอะไรดีที่จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากภพภูมินรกได้ครับ <c oughs> ถ้าเอยู่ในนรกเราช่วยกันไม่ได้มาช่วยได้ก็เพียงแต่ในขณะที่ก็เป็นเปลตเท่านั้นคือช่วยเขาได้มีบุญให้เขาอยู่ไปบานใบทุกทรมานและอาศัยบุญนั้นให้เขาอาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วขึ้นก็ได้เวลาออกจากสมาธิเสร็จแล้วเราแผ่เมตตาให้กับตัวเองและญาติที่ล่วงลับไปแล้วบุญจะไปถึงไหมครับ มันมันยังไม่มีบุญเลกลัวเวลานั่งสมาธิแล้วจิตยังไม่สงบถ้าจิตสงบเราใช้ก็อุทินได้จะอุทิศให้ใครก็ได้ข อ, อการครับพระอาจารย์ผมปกติจะนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกและใช้พุทโธกํากับก็มีความสุขสงบดีแต่พอร่างกายไม่สบายจะนั่งสมาธิไม่ได้เลยนั่งแล้วไม่สงบ ทำอย่างไรจึงจะนั่งสมาธิได้ช่วงเจ็บป่วยไม่สบายครับก็ต้องฝึกไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนตอนที เ, เจ็บป่วยก็ต้องนั่งสมาธิไปให้มันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาตามนั่งกายแล้วเขายามนั่งต่อไปให้มันผ่านความเจ็บปวดได้ <c oughs> ถ้าผ่านความเจ็บปวดได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บปวดเราก็สามารถเข้าสมาธิได้เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์ เราควรกินมังสวิรัตใช่ไหมครับ <c oughs> คือจะเบียดเบียนไม่เบียดเบียนก็อยู่ที่ว่าเราการกินเนื้อสัตว์ที่มันมีสองแบบกินเนื้อสัตว์ด้วยการไปฆ่าเขาเนี้ยไม่ควรทําแบบนี้แต่กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนี่ก็กินได้เราไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะมันตายแล้วเป็นของที่ตายแล้วแต่ถ้าเราไปฆ่าเขาเพื่อเอาเนื้อเขามากินเนี่ยไม่ควรจะทำเพราะเป็นการเบียดเบียน แตถ้าเราไม่ได้ฆ่าเขาเขาตายอยู่แล้วนเนื้อของเขามากินได้ไม่บาปไม่บิดเบียนแต่อย่างใดช่วงเวลาที่กําหนดลมหายใจคือช่วงเวลาที่ต้องควบคุมจิตไม่ให้คิดและพิจารณาใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นณนะเวลาที่บรรลุต้องบรรลุตอนนั่งคิดหรือตาขณะพิจารณาใช่ไหมครับการยนันบรรลุทำน้อจะเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราสามารถพิจารณาลิขิตสิเห็นว่าความทุกข์ใจเหล่านี้เกิดจากความอยากเราสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากด้การมองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์อย่าไปอยากพอมันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอ น, นัตตาเราก็หยุดความอยากได้ใจก็หายทุกข์เพราะนั้นแหละเรียกว่าบังลุกธรรมขึม้นมาต้องมีทุกข์ถึงจะถือว่าบังลุกธรรม มีทุกข์แล้วทำให้ทุกข์มันหายไปได้ด้วยปัญญานี้เราเรียกเป็นการมบรรลุธรรมแต่ถ้าอยู่เฉยยังไม่มีความทุกข์นี่มันยังไม่รู้ว่ามันรูุ้ได้หรือไม่จริงหรือไม่เหมือกับเวลาที่เราไม่สบายนี่พอเรากินยาเข้าไปแล้วยาทําให้อาการไม่สบายหายไปเราก็รู้ว่าออยาดนี้มีประโยชน์ทําให้ความไม่สบายของร่างกายหายไปได้แต่ถ้าเราสบายดีอย่างนี้มันยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรากินยาเข้าไป มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้มีประโยชน์จริงหรือไม่บุญคุณหมอที่มีเมตตาทางการแพทย์ในการรักษาคนไข้ที่ทุกข์กายบุญที่คุณหมอนำทางถามอนิทพูดถึงที่พูดถามคำถามธรรมในทางพ้นทุกข์และบุญกุศลที่อยากช่วยเหลือบ้านเมืองลูกอยากทราบว่าอนิสงส์ของคุณหมอจะทำให้ท่านถึงปฏิพนได้ง่ายโดยฉับพลัน เมัยุศวรรค์แข็งแรงในแงหน้าตาบะบาลมีมีเดชใช่ไหมครับและสิ่งนี้เป็นบาลมีสิที่ในจิตที่เคยตั้งใจอธิษฐานจึงได้ทําได้สําเร็จและเป็นที่รักใคร่ของผู้คนใช่ไหมครับก็เป็นเพลงหนึ่งในสิบบารามีหรือสองบารมีนั่นเองทานบาลมีกับเมตตาบารามีแต่ยังขาดอุเบกขาบารามีในขัมมะบาลามีปัญญาบารามีอยู่ยังต้องทําต่อและยังไปถึงนิพพานได้ พระที่ไม่สอนให้นั่งสมาธิแต่สอนให้รักษาใจและดูจิตอันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวความไม่รู้หลักคำสอนของพระเดชเจ้าที่ต้องมีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าครับเพราะผมเคยทำตามแล้วควบคุมสติไม่ได้แต่ถ้านั่งสมาธิแล้วสติจะนิ่งมากครับถูกต้องเราต้องมีสติใจกนจะนิ่งสงบเวลาเช่นวันนั่งสมาธิถ้าไม่มีสติใจก็จะไม่มีนิ่งไม่สงบ เป็นทตามที่พระเจ้าสอนดีกว่ามั่นใจกว่าพระเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาที่เขาบอกว่าให้หมั่นชำเรเลืองดูจิตบ่อยๆในระหว่างวันดูได้อย่างไรครับใช่การมีสติไหมครับก็ดูอารมณ์ของเราไงเวลาเร า, รรเราตอนนี้เราโกรธหรือมตอนนี้เราโลภหรือไม ถ้าเราไม่คอยดูเราเราก็จะไม่รู้ร่าจะไปทําตามที่เราไม่รู้ก็ได้เวลาโกรธเราไม่รู้ว่าเราโกรธล้วก็ทําตามความโกรธเนื้อผลของการทําความโกรธมันก็ไม่ดีตามมาแต่ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราโกรธนะเราไม่ควรไปพูดไม่ควรไปทําอะไรเพราะว่าเราโกรธเรามั่จะพูดไม่ดีทําไม่ดีเราไม่รอให้เราหายโกรธก่อนล้วเข้าาพูดจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะคอยควบคุมการกระทําที่ไม่ดีของเราได้ กายเวทนาจิตธรรมขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องจิตและธรรมครับจิตก็คือจิตใจของเราเนี่ยที่มีอารมณ์แปรปรวนอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องศึกษาใหเข้าใจว่าจิตนี้มัเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถทําให้มันนิ่งให้มันสงบบ้าได้ตลอดเวลามันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างสงกบ้างไม่สงกบ้างวุ่นวายบ้างไม่วุ่นวายบ้างเราต้องเข้าใจแล้วอย่าไปอยากให้มัน เพาความอยากจะทําให้เราทุกข์กับมันเป้หมายคือเราต้องสอนใจเพื่อไม่ให้ใจไปทุกข์กับจิตให้เข้าใจจิตว่าเป็นอย่างนี้มันกับเข้าใจวิทนาก็เหมือนกันเข้าใจกับร่างกายก็เหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่สามารถที่จะกําหนดให้มันเป็นสิ่งเดียวได้อย่างเดียวได้ถ้าเราไปอยากแล้วจะทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เข้าใจเขาแล้วก็ดูแลเขาไปตามอัตภาพดูลตามความเป็นจริง ส่วนทั้งก็คือเป็นเครื่องมือที่เราไม่เป็นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราซึ่งมีทั้งทำฝ่ายดีแล้วทำฝ่ายไม่ดีกุศลต้องทำการกุศลก็องทำแล้วก็ต้องดูว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายดีแล้วก็จเจริญรักษาให้มันมีมายิ่งขึ้นไปฝ่ายไม่ดีเรา ก, ก็กำหนดกำจัดมันไปให้หมดไปจากใจคือการดูทําในใจเราคนที่สื่อกับมนุษย์ ต่างดาวได้บอกว่ามนุษย์ต่างดาวบางเผามีจิตทท่บริสูตรอยากให้มนุษย์ปรับระดับจิตด้วยพระอาจารย์คิดอย่างไรครับกอไม่มีการพิสูจน์ว่าจรงิงหรือไม่จรงิงก็เลยฟังหูไว้หูนี่แหละทำไมยิ่งปฏิบัติธรรมใจยิ่งทุกข์กว่าเดิมและนั่งสมาธิใจออกไปคิดแต่เรื่องข้างนอกครับเพราะไม่มีสติไงปฏิบัติไม่ถูก ถ้ามีสติจะดึงใจให้เข้าเข้าไปจะดึงใจให้หยุดคิดแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็จะหายไปมีแต่ข่าวสงครามรบ ก, กันแม้จะไกลตัวแต่ฟังแล้วชวนให้โกรธจากเพิกเฉยก็กลัวไม่ได้เตรียมตัวรับมือรักษาใจอย่างไงดีครับรักษาใจให้ปล่อยวางแล้วห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตคือตัวเราไหมครับถ้าจิตไม่ใช่แล้วอะไรคือตัวเราครับไม่เข้าใจครับร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราตัวเรานี่เกิดจากการจินตนาการของจิตขึ้นมาเท่านั้นเองจิตเป็นเหมือนคนเขียนนิยายเขียนเรื่องเวลาเสมอว่ามีตัวตนมีตัวตเรามีเขาขึ้นมาแล้วก็หลงเชื่อในความในจินตนาการของจิต ถ้าศึกษาจริงๆแล้วก็จะรู้ว่าจิตก็เป็นเพลงแต่ท่านรู้เป็นท่านรู้ร่างกายก็เป็นท่านสี่ดินน้ำล ม, มไฟไม่มีตัวตนในท่านตอนนี้การทำนายดวงมีผลต่อชีวิตเราจริงไหมครับอันนี้ไม่ได้ศึกษาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะตอบเดี๋ยวจะตอบผิดแ่ได้เวลาใส่บาตรตอนเช้า แต่ไม่ได้กรวดน้ําคนตายไปแล้วจะได้รับไหมครับคือการอุทิศบุญนี้อุทิศได้ทั้งนั้ทั้งที่มีน้ําไม่มีน้ําได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าไม่อุทิศก็ไม่ได้รับต้องอุทิศอุทิศแบบไม่อุทิศแห้งก็ได้อุทิศน้ําก็ได้แต่ต้องมีการอุทิศในใจเราเกิดขึ้นมาก่อนเขอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นพู้นี้ที่น้องรับนะครับน้องเรี้กเขาอุทิศนะจะใช้น้ําด้วยหรือไม่ได้ไม่ไม่ใช้น้ําก็ได้ ทำไมความสงบที่ได้จากสมาธิถึงได้บุญครับก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งเหมือนกับการทำให้ทานก็ได้ความสุขใจเหมือนกันเพียงแต่หนักเบาต่างกันความสุขใจจากสมาธินี่หนักแน่นกว่าความสุขใจจากการทาทานคนที่ฆ่าหมาตายเป็นบาปไหมครับบาป ขอป้า อ, อาจารย์สอนวิธีการทําสมาธิแบบให้นําไปปฏิบัติเองได้ครับก็เวลานั่งสมาธิให้นั่งหลับตาแล้วคิดถึงพุโทธโธพุทโธไปในใจเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะนิ่งจะสงบก็เป็นสมาธิขึ้นมาหมาแมวที่บ้านตายทําบุญอุทิศให้หมาแมวที่บ้าน เขาจะได้รับบุญเหมือนกันกันกบที่เราอุทิศให้คนไหมครับเหมือนกันะถ้าเขารอรับอยู่เขาก็ได้รับบุญถ้าเขาไม่รอรับอยู่เขาก็ไม่ได้รับบุญอยู่ที่สถาภาพของวิญญาณของเขาว่าเป็นอะไรยอยู่ในตอนนั้นมีท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเคยเห็นคลิปคุณชายประคอนิมนต์พระอาจารย์ไปเทศที่สวนแสงธรรมอันนั้นเป็นจริงไหมครับพระอาจารย์ ไม่แน่ใจนะเพราะมันก็มีคนชวนมากอาจจะไม่ได้ดดนิมนต์อาจจะพูดมันเชิงปาล็กันมากกว่าเนาะแต่ไม่ไม่ไม่ไมจําไม่ได้นะไม่ไม่แน่าใจไม่อยากจะยืนยันถ้ามีคลิปก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะถ้ามีคลิปนะเราจะทําอย่างไรให้ทุกๆวันมีกําลังใจพลังใจมีจิตใจคิดบวกในการดําเนินชีวิตในทุกวันครับ ให้มีสติแล้วสติจะพาให้เราไปสู่ความคิดที่ดีสู่พลังบวกสู่พลังใจตัวสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งปวงพระเจ้ามอกการไปหาคอเพื่อนให้มาทำบุญเป็นบุญหรือเป็นบาปครับการทำบุญไม่คนรจะไปบังคับกันนะถ้าก็ทำก็อาจจะทำด้วยความเรินใจ เขาจะได้บุญด่านจะได้บุญไม่มากเหมือนกับถ้าเขาทำด้วยความความเต็มใจทําด้วยความอยากทําของเขาเช่นชวนได้แล่อย่าไปบังคับเขาบอกบุญได้เพราะว่าอาที่นี้จะไปทําบุญเมาบอกเขาเพียงแคนี้ถ้าเขาบอกว่าฟากเว้นไม่ทาบุญให้หพอดีเราไม่ว่างจะไปด้วยนี้เขาก็จะได้ทําบุญแบบนีเออ้เขาจะได้บุญเต็มที่เลย เวลานอนชอบคิดเรื่องงานที่มีปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาทำให้นอนหลับไม่ดีจะต้องทำอย่างไรครับต้องหยุดความคิดในการเป็นความคิดให้คิดอยู่ที่พุทธโธพุทธโธแทนถ้าเราสามารถดึงจใจคิดอยู่กับพุทธโธได้สักระยะหนึ่งใจก็จะหลับได้ความคิดที่เราเรื่องงานมันก็จะหายไปจากใจอยากพบศาสนาพุทธทุกชาติจนกว่าจะถึงนิพพานจะต้องทำอย่างไรครับ ทำไม่ได้หรอกก็พบตอนนี้ก็ทำให้ถมถึงนิพพานตอนนี้นได้ได้ง่ายกว่าอน า, าคตไม่มีอะไรแน่นอนจะเจอขึ้เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ที่น่นอก็คือตอนนี้เรายัางสาามรถถ้าเรายัางมีชีวิตอยู่เรายัางสามารถไปถึงนิพพานได้ในในพรหมนิชาตินี้ถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติลูกดูแลปรนนิบัติแม่ดีมาตลอด แต่มาตัดสินใจผิดก่อนแม่จากไปลูกได้บุญหรือบาปครับทุกที่สุดในชีวิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมันก็ปวนนกันไปไม่เคยเห็นผีแต่ก็กลัวครับทำใจได้อย่างไรบ้างครับอย่าไปคิดถึงมันเวลาคิดถึงผีก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดนั้นไป พอถามคำถามครับคือในการที่เราเป็นห่วงและอยากช่วยเหลือคนในครอบครัวอย่างเช่นหลานหรือพี่น้องแต่เราเอาของลูกเราไม่ใช้แล้วจะเอาไปให้พี่น้องแต่ลูกหาว่าเราไม่ถามก่อนเลยโมโหหาว่าเราทําไมไม่ถามก่อนเราเลยบอกว่าไม่เห็นเขาใช้ประโยชน์แล้วและยังไม่อยู่ในบ้านเดียวกันและเราก็เหตุผลแล้วว่าเราจะเอาไปให้หลานลูกสาวไม่ยอมเหตุผล นี้เลยทําให้เราเสียใจเราเลยคิดว่านับตั้งแต่วันนี้เราขอถอยและจะตัดสินใจว่าต่อไปเราจะไม่ยึดติดกับคําว่าเรามีครับคือของใดที่เป็นของคนอื่นเราอยากเป็นใช้เราต้องขออนุญาตเขาก่อนถึงแม้เราเป็นคนซื้อของให้ของไปแต่เมื่อเราให้เขาไปรล้มันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วมันเป็นของของคนที่เขารับแล้วเราต้องการเอาของนั้นไปทําประโยชน์อย่างอื่นเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเขา จะทําอย่างไรเมื่อรู้สึกอคติมีทิฏฐิกับคนหนึ่งเสมอไม่เห็นเขาทําไมเป็นอย่างใจเราคิดครับก็หยุดความคิดนี้ด้วยการบริกรรม พ, พุ่นทัวพุ่นทโวไปแล้วพอหยุดคิดแล้วก็สอนใจว่าเวาคิดแบบนี้ไม่ดีเป็นการสร้างความทุกข์สร้างปัญหาต่างๆตามมาอย่าไปอย่าไปคิดแบบนี้ก็สอนไปต้องพัฒน์สอนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าใจแล้วหยุดคิดในทางที่ไม่ดี คนไข้ติดเตียงมานานเรามักใส่บาตรแทนโดยนําเงินของผู้ป่วยมาเตรียมของและใส่บาตรแทนเขาจะได้บุญนี้ด้วยใช่ไหมครับเขาต้องสั่งก่อนเพราะนั่นหมายก็เขาเป็นคนอนุญาตอย่างของเขาแล้วมีความอยากจะทําบุญด้วยเช่นบอกถ้าพยาบาลว่าช่วยเอาเงินนี้ไปซื้อของใส่บาตรให้หน่อยถ้าเขาพูดอย่างเนี้ยเขาจะได้บุญแต่ถ้าอยู่ดีๆเราเอาเของเาทําบุญให้เขาแล้วมาบอกเขาได้ทําบุญนะ ถ้าเขาไม่ยินดีเขาจะได้ความทุกข์ใจไม่ได้บงินอย่างนี้คนที่หยิบไปเป็นขโมยไหมครับอาจารย์ก็เป็นขโมยเอาของที่เจ้าของก็ยังไม่ได้อนุญาตไปหลายคนตั้งใจทําดีแต่ชีวิตยังเจอปัญหาและความทุกข์จึงเกิดความสงสัยและท้อใจครับขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะว่าคนเข้าใจเรื่องกรรมอย่างไรจึงจะไม่หมดศรัทธาในการทําความดีครับ คือการทําความดีมันก็ต้องใช้เวลาทําไปเรื่อยๆไม่งั้นทำความดีชิ้นสองชิ้นน่าจะกำจัดความทุกข์ทั้งหมดให้มันหมดไปจากใจได้ต้องทําความดีมากและทำความดีหลายระดับด้วยกันไม่ใช่แต่เฉพาะความดีที่เกิดจากการให้ทานทําความดีอย่างอื่นต้องรักษาศีลด้วยต้องไปปฏิบททัติธรรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบสอนใจให้เกิดปัญญาด้วย ทำทุกใจต่างๆให้หมดไปได้ทำไมคนบอกว่าบทสวดมหาจักรพัทไม่มีบุญจริงๆหรือมีกรรมอยู่จะเป็นการเร่งกรรมครับพระอาจารย์ไม่เกี่ยวเลยมันเป็นการส่วนนี่นเป็นการฝึกสติเท่านั้นเองให้เรามีสติให้เราหยุดความคิดปุ่งแตกต่างๆ หลักสูตรธรรมะที่เหมาะกับนักเรียนระดับประถมในยุคปัจจุบันควรจะเป็นอย่างไรครับก็สอนให้มีทานมีความเมตตก่อนให้นํามีความเมตตากับทุกคนอย่าไปรำแก่ผู้อื่นอย่างนี้อย่าไปทาให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนถ้าเรามีมีอะไพอจะแบ่งปันให้เขาได้ก็แบ่งปันกันไปคือสอนนัำทานด้วยทานก่อนทานกับเมตตา ความสุขสงบที่ได้จากสมาธิเราสามารถอุทิศบุญได้ไหมครับและอุทิศอย่างไรครับคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีอยู่ในตำนาพวกเรามาคิดกันเราเองในตำนาสอนว่าอยากจะอุทิศบุญให้ทําบุญใส่บาตรเท่านั้นเองทำบุญทำทานให้กับพระสงฆ์แล้วก็สามารถเอาบุญที่ทํานี้ไปอุทิศได้ส่วนบุญอย่างอื่นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั่งสมาธิหรือวิปัสสนานี้ไม่มีในตำนา เก็เลยไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างอย่างเต็มปากแต่ถ้าพูดแบบว่าโดยประมาณมันก็เป็นบุญเหมือนกั น, กนไม่ใช่หรื อ, อถ้าเป็นบุญก็อุทิศได้สิก็อยากจะบุญที่ก็อุทิศไปก็เหมือนกับอุทิศบุญที่เราเกิจากการทําทานนั่งสมาธิเสร็จแล้วคิดว่าเรามีบุญแล้วก็ขออุทิศบุญนี้ให้กับผู้ร้องรับไปแล้วส่วนจะเป็นบุญไปหรือไม่ไม่มีใครรู้ ชอบฟังธรรมมากกว่าสวดมนต์ทำสมาธิอย่างนี้มีโอกาสหลุจผลได้ไหมครับคือการฟังธรรมก็เป็นการเจริญปัญญาปัญญารดผลได้ก็ต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียวต้องมีสมาธิด้วยมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันถึงจะสามารถหลุดพ้นได้เวลานั่งสมาธิดูลมหายใจทําไมกลายเป็นกลั้นลมหายใจครับ ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นอาการเก็งทางธรรมจะไม่มีทรัพย์จะทำใจอย่างไรไม่ให้กลัวกล้าทิ้งทางโลกครั บ, รรบไรไ ก, ดก็ดู ค, คนที่เข้ามาบ่วยเขาไม่มีทรัพย์เขาก็อยู่กันไปจนถึงแก่ตายได้มันก็เดือนร้อนตรงไหน หนูขอรบกวนสอบถามว่าของที่เพื่อนนำมาให้เราแล้วเราแบ่งไปใส่บาตรบุญนี้เราได้ไหมหรือว่าเพื่อนได้ครับเอเพื่อนเขาได้บุญตั้งแต่ตอนที่เขาให้ของเราแล้วส่วนของที่คขาเราแล้วเป็นของเราแล้วเราจะไปทําบุญต่อก็สามารถทําได้คุณแม่จากไปแล้วสี่ปีครึ่งครับฝันถึงคุณแม่ทุกเดือน มาถึงตอนนี้อยากทราบว่าคุณแม่ยังวงนเวียนอยู่หรือไม่แล้วถ้ายัางว น, นเวียนอยู่ควรทำอย่างไรคุณแม่ไม่ต้องห่วงไปได้อย่างสงบครับก็ต้องมียานอย่างทราบก่อนวนะ่าท่านวนเวียนอยู่หรือไม่ถ้าไม่มียานอย่างทราบเราก็ไม่รู้แต่เราก็สามารถอุทิศบุญเผื่อได้เผื่อท่านวนเวียนอยู่เราก็ทำบุญส่งไปให้ท่านได้ทำไมเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกขนลุกครับ ก็เป็นาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปิติคนยุกซ่าเวลาจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบเห็นคนอื่นทําบุญในติ๊ก o k อกแล้วเราเข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอย่างนี้เราจะได้บุญด้วยไหมครับก็ได้บุญจากการอนุโมทนาไม่ได้บุญจากการทำบุ ญ, บญากกาทําไมเวลานั่งสมาธิแล้วตัวเบาๆลอยๆครับอาจารย์จิตสงบไปก็จะเป็นลักษณะนัน้น ถ้าเงินแม่อยู่กับเราแล้วเราเอาไปซื้ออาหารทำบุญก่อนซื้อก็บอกแม่ว่าเอาเงินแม่ที่อยู่กับเราไปซื้ออาหารทำบุญทานนี้เป็นของแม่ใช่ไหมครับก็ต้องอยู่ที่เจตนาของแม่ก่อนนะถ้าแม่สั่งจะดีกว่าถ้าแม่สั่งบอกช่วยเอาเงินนี้ไปทำบุญให้หน่อยอย่างนี้แม่จะได้บุญแต่ถ้าเราเอาเงินไปแล้วถามแม่ก่อนว่ายาเงินนี้ไปทาบุญนี่เป็นการบังคับเขาหรือเปล่า การจบบังคับให้ทําบุญนี่มันจะไม่ได้บุญเท่าการทําบุญจากความยินยอมความความยินดีของผู้กระทํานั้นควรจะให้โอกาสท่านได้มีมีเป็นคนตัดสินใจอาจจะถามพระแม่พวกนี้หนูจะไปทําบุญเมื่อจะจะทําบุญด้วยไหมยอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเออช่วยอาเงินนี้ไปช่วยทําบุญให้หน่อยด้วยอย่างนี้ก็ท่านก็นจะได้บุญ เพราะถ้าเราไม่ไปทําบุญท่านอาจจะเกลีใจเราไม่อยากจะใช้เราท่านอาจจะไม่สั่งเราก็ได้ให้บางทีเราต้องออกอุบายให้ท่านรูกก้บ่ายว่าเรากำลัง จ, จะไปทําบุญหรือเรายินดีที่จะรับใช้การทําบุญของท่านให้ทําบุญให้กับท่านถ้าท่านอยากจะได้ไม่เกลีใจเราทําบุญตักบาทแทนลูกอุทิศส่นสวนกุศลแทนลูกสาวจะได้บุญไหมครับ เราได้คนทํเราได้แต่ลูกสาวไม่ได้ไเลยเลยขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับหากเราโดนใส่ร้ายใส่ความทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดกลุ่มคนที่ใส่ร้ายเราจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรครับว่าได้การพูดปลดนต่อไปเขาอาจจะถูกพูดใส่ร้ายครับไม่ก็ได้ทากรรมใดไว้มันก็จะต้องกลับมานผู้กระทํานั้น ขอยรถเหยียบน้องแมวโดยไม่ได้ตั้งใจผ่าหลังหักการดูแลอยู่จะเป็นบาปไหมครับไม่บาปช่วงนี้งานหนักเครียดกดดันทั้งภายนอกและภายในจะมีวิธีอย่างไรให้ทุกน้อยลงครับเอาเวลาว่าปล่อยวางบ้างเอาเวลามันนั่งสมาธิสักข้านาทีสิบนาทีนันครึ่งลมมง ถ้านั่ได้มากเท่าไหร่มันก็จะมีความสงบมากความทุกข์ก็จะน้อยลงไปคำถามที่พราจารย์ตอบหลายครั้งครับบอกว่าเราทําอุณุทิศจากการนั่งสมาธิและถือศีลห้าจะให้กับผู้อื่นได้ไหมครับถ้าเราอยากสงบใจก็จะอุ้งเก้าอุทิได้แต่จะไปหรือไม่ไปอันนี้ไม่เหมือกัน มีอาชีพรับราชการแต่มีศรัทธาในการให้ทานถือศีลและภาวนาปฏิบัติทํางานไปด้วยควรลาออกไปบวชชีไหมครับก็แล้วแต่ความต้องการของเราว่าเราต้องการอะไรถ้าอยากจะอยากไปทางทำจะเห็นว่าการทํางานจะเป็นการทําให้เราไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่เราก็อาจจะไปบวชชีก็ได้อันนี้อยู่ที่ความต้องการของเรา ตอนพี่ชายป่วยหนักใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วหมอถามเราว่าถ้าเขาหยุดหายใจจะให้ปั๊มไหมเราบอกไม่ต้องปั๊มอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปในฐานะพยาบาลเราควรทําอย่างไรเมื่อผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตทั้งแบบตายแบบฉุกเฉินและตายแบบธรรมดาครับทำใจเฉยๆไปช่วยเขาไม่ได้เา้าเริ่มต้องสิปป้นสายไปไม่ทำไปเสียใจเว่าเราไม่ได้ทํา ช่วยเขาบางทีมันก็ช่วยไม่ได้แฟนไม่เข้าใจว่าทําไมการที่เราทําพินัยกรรมยกสมบัติให้คนอื่นแล้วเราไม่ได้บุญเพราะบุญเกิดตั้งแต่ที่เราตั้งจิตเจตนาแล้วไม่ใช่หรือครับมวเจตนาอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีการกระทำถึงจะสาเร็จบุญถึงจะสำเร็จได้เริ่มต้นที่เจตนาแล้วมีการกระทําเสียสละสิ่งที่เราต้องการให้ผู้อื่นไปต้องให้หไป พูดได้รับแล้วมันเลยจะสำเร็จประโยชน์เพียงแต่คิดอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ทําเนี่ยยังไม่เกิดผลมันจะคิดไปป้นธนาคารเแต่ยังไม่ไปป้นธนาคารเนี่ยตำรวจเราจับเราเข้าเข้าคุกไม่ได้เพราะมันเป็นแต่การคิดเฉยๆใช่ไหมก็เหมือนกันกับการทําบุญแล้วไม่ได้ทําเนี่ยผลมันก็ยังไม่เกิด อยู่กับแม่สองคนแต่อยากบวชครับระหว่างบวชกับการดูแลแม่จะทําอย่างไรดีครับก็ถ้าแม่ไม่มีการดูแลก็ไปดูแลแม่ก่อนนะแล้วก็ปฏิบัติในเพศของของของผู้ที่ไม่ได้บวชก็ได้ภาวนาบริกรรมพุทโธในการพูดในใจรัวๆทีๆอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับก็คิดในใจไป แลจะรัวไม่รัวจะถีไม่ถีก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เราเราต้องการไปช้าๆก็แ้พุทธพุทธพุทธไปตามสบายก็ได้บางทีถ้าจิตมันฟุ้งมากอาจจะต้องใช้ใ้มันถีก็นก็ปรับปรับความเร็วได้คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับกรณีมีนักแสดงท่านหนึ่งอยู่กับสามีมายี่สิบเก้าปีแต่มารู้ทีหลังว่าตัวเองเป็นภรรยา น, น้อยเป็นชู้มาตลอดโดยไม่รู้เรื่องมาก่อน แบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อ3มั้ยครับคือถ้าเราไม่ดูก็ไม่ผิดครับคนที่รู้เขาทำเพราะนั้นเขาผิดครับขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำอยู่ในเฟซ530ในยู543ในขับ3ในติ๊กตอก485ครับรวม 1,561 คนครับพระอาจารย์ครับ ก็ยินดีกับทุกท่านที่มาร่วมสนทนาฟังการถามตอบคำถามว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยและสำหรับการสนทนาธรรมในคืนนี้ก็หมดเวลาลงก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจาาิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกัดข้องันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกับขอพระคุณพระอาจารย์ครับ